แม้จะเป็นฝาแฝดนะก็ต่างคนต่างก็มีวิถีชีวิตของตัวเองเวลาเราทุกคนอนื่นอยากจะมารับรู้ทุกกับเราหรือแบ่งเบาวทุกของเราก็ทําได้ไม่มากแม้ผู้นั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่สามารถจะแบ่งเบาวทุกเราได้เมื่อเรามีปัญหาแม้ครูบาอาจารย์อยากจะช่วยให้เราแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาในทาง จ, จิตใจ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 เมื่อเราประสบความพัดพราพสูญเสียเราก็อาจจะซึมแล้วก็เศร้าโศกเสียใจเพื่อนหรือว่าคนที่เราคุ้นเคยเขาก็อาจจะบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยนะชีวิตเรามก็มีความพัดพราดเป็นธรรมดาแต่เราก็จะนึกอยู่เสมอว่าก็เขาไม่เจออย่างเราเนี่เขาก็ถึงพูดได้ซึ่งก็ถูกต้องเพราะว่าคนที่เขาแนะนำเรา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 หมอวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคหัวใจนั่นีที่หมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจเท่านั้นแหละเจ้าตัวก็สุดเลยที่เคยเดินไปซื้อไปจ่ายตลาดทุกเชา้าทุกเย็นกลายเป็นว่าไม่มีแรงจะเดินไม่มีแรงแม้กระทั่งจะขึ้นบันไดทางนที่กายก็ปกตินะเพียงแต่ว่าหมอเนี่ยเขาวินิจฉัยผิดไปอันนี้เพราะอะเพาใจไงเพร า, ใ จ, พราใจเรา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 มีความสุขและเราจะมีตัวเราเองเป็นที่พึ่งได้อย่างไรผู้เจ้าได้ตรัสไว้นะที่เราคุ้นเคยกันดีว่าอัตยัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ผู้เจ้าก็ตัดต่อไปว่าตนที่ฝึกไว้ดีแล้ว ย, ย่อมเป็นที่พึ่งที่หาได้แสนยากประโยคหลังนี้ชอวพุทธไทยเราไม่ค่อยรู้จักเรารู้แต่ว่าเออตนนั่นเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ว่าจะเป็นที่พึ่งได้แท้จริงต้องฝึก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 ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีอาหารจะกินนะแต่ว่าที่อยู่ไม่รอดเนี่ยเพราะว่าประสาทจะกินเป็นที่ขึ้นชื่อหรือช้ามาก5ปีเท่านั้นแหละไม่รอดประสาทจะกินสิ่งแรกที่ปาปิยองทัมเมอร์เข้าไปอยู่ในคุกก็คือเดินที่เราอย่ากสมัยนี้ว่าเดินจงกลมเดินนับก้าว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 ความวิตกความกังวลเข้ามาหลอกหลอน24ชั่วโมงถึงตอนนี้เนี่ยมันทำลายตัวเราเองแล้วศัตรูเนี่ยคือตัวเรานี่แหละมันกลายเป็นศัตรูถ้าคุมไม่ได้แล้ว ป, ปิยองเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เลยเดินจงกรมนับ9ก้าทำกันตลอดเวลาที่มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาที่ตื่นขึ้นปรากฏว่าพอถึงห้าปีนี้ออกมาได้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 มันไม่ใช่แค่เพื่อนไม่ใช่แค่งานฉานั้นที่จะได้รับที่จะพรอยละเอียดถี่ทุวนหรือว่าสวยงามไปด้วยแต่ใจเราก็พรอยแต่ละการจัดแต่งให้งดงามไปด้วยเช่นเดียวกันเวลาเราใช้ของด้วยความใส่ใจไม่ใช้ของด้วยอาการลวกๆวกเราใช้สิ่งต่างๆอย่างมีความประณีตละเอียดละออใช้อย่างเห็นค่าของสิ่งนั้นไม่ใช่ใช้แบบไม่เอาใจใส เราทำด้วยความประณีประเอียดลอใจเราก็ปล่อยประนีประเอียลออไปด้วยแล้วก็อาจจะรวมไปถึงพฤติกรรมของเราก็ประณีประเอียลออไปด้วยเช่นกันวันนี้เราเราดูแลรักษา จ, จิตใจวันหน้าใจนั่นแหละก็จะดูแลรักษาเราเวลาเราทุกเวลาเราประสบความพลดัพลดพร้าสูญเสียเวลาเราเจอความ ผ, ผันผวนปนปในชีวิตเวลาเราเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาใจนี่แหละที่จะช่วยเราได้ วันนี้เนี่ยเราเราจะบอกว่าเรารักตัวเราเองเราล็อกส่ใจกับตัวเราเองแต่สิ่งที่เราใส่ใจนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องทางกายใช้ส่วนใหญ่เช่นหาอาหารมาเลี้ยงตัวหาสิ่งอร่อยอร่อยมาปลนเปลือตัวเองหาเสื้อผ้าหาบ้านหาสิ่งประดับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของกายทั้งนั้น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 ไม่ได้เรื่องเลยสอนไม่จำนะไม่รักดีแต่เราบางทีก็ต้องย้อนกลับมาถามตัว เ, เองว่าแล้วเราเคยมีอให้กับเขาจริงๆหรือเปล่าเราให้แต่งเงินจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราแทบจะกลายเป็นสิ่งที่คนบางคนเรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้เงินไปแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะให้ความรักแก่เขาแล้วเราจะโทษใครดีใจเรากำลังจะกลายเป็นเด็กที่ถูก เลี้ยงจนเสียคนและสุดท้ายคนที่รับเคราะก็คือพ่อแม่เนี่ยที่เขาได้ทำกับลูกอย่างนั้นอย่าปล่อยให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นอย่าปล่อยให้ใจเรานี่เป็นอันถานที่เวลาอยู่คนเดียวแล้วนี่มันพยศมันก่อ ก, กวนมันปั่นป่วนจนกระทั่งเราเองต้องทุรนทุรายหรือเกิดความเครียดเกิดความกรธเกิดความเศร้าจนกระทั่ง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 ร่างกายเนี่ยนะไม่ว่าจะปนเปื้อนเท่าไหร่ก็ตามถึงเวลาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องเสื่อมไปแต่ใจนี่นะในขณะที่ร่างกายนี้เสื่อมแต่ใจนี่สามารถที่จ ะ, จะเจริญงอกงามสวนทางกับร่างกายก็ได้คนบางคนเขาแกนะ่ร่างกายเขาเสื่อมโซ่ลงไปคนบางคนก็พิการร่างกายมีแต่แย่ลงแต่ใจเขากลับดีขึ้นดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นเพราะเขาได้ปฏิบัต